มีมนทริทตตุกรมนินตั้งใจฟังครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมตั้งใจฟังฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติาฟังแล้วจดจําเอาไม่ปฏิบัติเท่าไรรู้จารู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงยังไม่ได้เป็นคมรู้ของตัวเอง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 เรื่อมันซักกันออกไปข้างนอกดังนั้นท่านจึงพยายามไม่ให้พูดไม่คุยกันมากคือให้ทำอยู่คนเดียวเมื่อทำอยู่คนเดียวมันก็ออกไปข้างนอกน้อยมันก็เข้ามายินในข้างในคือมารู้สึกตัวมา ก, <Okay. S 1> ากการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องหลับตาอีกด้วยให้มือตาทำกลใครไปาการมาให้เห็นแล้วก็คนพูดอะไรให้ได้ยินให้ได้ฟัง อันนี้เป็นวิธีงไายวันนี้ก็จะเริ่มต้นในการพูดเรื่องทำทีแรกบางคนก็เคยทํามาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยได้ทำบางคนก็ทาวิธีนั้นวิธีนี้มามากเพราะว่าทุกคนเป็นผู้สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมตัวของอาตมาเองก็เคยกันเน่เคยทามาหลายวิธีแต่มันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้จริง มันรู้ฟังฟังคำว่ารู้ฟังฟงังในว่าอย่างไรคนเราก็ไม่รู้รู้หรอกจะมันไม่รู้ไม่มีสงสัยหือว่ารู้คล้ายๆคือเราอยู่ในมงคลในค่ำเนี่ยมันจะอย่างนั้นมันไม่สว่างในใจเนี่ยแล้ว่าแสดงว่ารู้จามาแล้วก็พิจารณาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่รู้นนแสดงว่าเราไม่รู้รูจ้จํายู่ทีนี้สุอพลิกมือขึ้นให้รู้เพรว่ามือหลงให้รู้พลิกขึ้นให้รู้ ข้อ é, มองให้รู้ยกขึ้นหน่อยที่ตกระตาให้รู้เอามาที่นี่จะให้มันรู้มันยึดจะให้มันรู้เคลื่อนก็เหน่อนที่ให้มันรู้ไม่ใช่รู้มันเคลื่อนเฉยๆนะให้มันสัมผัสรู้อย่างนี้มันรู้อามีรู้ความรู้อันนั้นเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นหนดสัญญาเนี่ไม่ใช่จำเนี่ยสัญญามาเคลื่อนบบนี้เองสัญญาจะควอมหมายรู้และจําได้เราจะคิดถึงเนี่ ถ้ามันนั่งอยูย่เนี่ยมันเป็นลูกเป็นนามเ ส, เสยๆเนี่ยจาได้เลยเราก็ต้องพิจารณาไม่ใช่จำเอาคําพูดหลวงพ่อไปพูดนะนั่งอยู่เนี่ยเป็นลูกเป็นนามเราจะยกขึ้นมาที่เป็นลูกทำนามทำไ่้เป็นอย่างนั้นเอามาที่นี่มันเป็นลูกทำนามทำเอาไว้อย่างเนี้ยเป็นลูกเป็นนามเนี่ยรูปกทำนามทำยกเอารูปนี้ทำเองนา ม, นมารประทำเนี่ยลูกทำนามทำลูกโลกนามโลกเนเ น, นี่ยลูปอเนีกเกิดขึ้นมาแล้ว มันเจ็บหัวมาปวดท้องในว่าโรคทางเนื้อนางโรคทางเนื้อหนังเนี่ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจเช็กร่างกายให้แล้วก็ให้ยามากินบางทีก็ถูกโรคเร็วบางทูกก็นานทูกถ้าไม่ทูกก์ก็หมอก็จะเตือนอยาให้โรคทางผิวหนังทางเนื้อหนางเรารักษาไม่ได้นอกจากหมอไปบระเด็โรคอีกชนิดหนึ่งนั่อนน ง, นงอยู่อย่างนี้แหละคิดแยกขึ้นมาคิดถึงหน้าคนนั้น คิดเห็นหน้าคนนี้ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้อันนั้นเน่ะจิตวิญญาณเป็นโลกไม่ใช่โลกอันนี้นะจิตวิญญาณเป็นโลกเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เราคิดมือขึ้นมันเป็นทุกข์ขวดมือลเรียนทุกข์คิดตาเป็นทุกข์เลือดใต้เลื้อตัวเป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์เราต้องรู้อย่นี้ก่อนเพราะอันนี้คนอื่นมองเห็นคิดมือที่คนเห็นนยคิดตาที่คนเห็น หายใจเข้าใจอ้อนในคนเห็นเลือดตายเลืยคนในคนเห็นอันนี้เรียกเป็นอย่างหยากที่สุดเพื่อนจิตใจมันนึกเป็นทิดขึ้นมาไม่เห็นเลยคนอึกก่งกระมองไม่เห็นตัวเองก็ยังไม่รู้อีกด้วยจะรู้ได้ทาไม น, นี่จะว่ามันรู้เป็นขั้นเปนตอนไปอย่างนี้เมื่อรู้ควมคิดแล้วบบนี้อ๋อแตภาพควมคิดก็เป็นทุกขังอันนี้อางอนัตตาเหมือน ก, กันการเคลื่อนไหวก็เป็นทุกขังอันนี้อางอ น, นัตตาเหมือนเดียคนจึงเป็นข้อทุกข์เนีน่ย ทั้งหมดเลยเป็นข้อทุกรู้จักอเนกก็รู้จกักสมมติขึ้นม네าเลยสมมุติคนสมมติสีสมมุติเทวดาสมมุติว่าหน้ามือหลังมือนิ้มือเล็บมือสมมุติทางนั้นเราก็รู้ตัวเราบ้นเนี่ยรู้สมมุติเงินมอเสื้อผ้าเป็นสมมุติแม่ผู้ใหญ่บ้านกำลังกับปิดสมมติเขาคนธรรมดานี่เองผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเด็กสมมติให้ขอบิดสมเด็จพระหันเ้ี่ยกำนันเนี่ยแต่สมมติให้เขอบิดกำนันก็เป็นคนธรรมดานี่เอง เนี่ว่สมมติยัางตำรวจทาหารกนเช่นเดียวกันเป็คนธรรมดาในเองไปใช้ชื่อว่าตำรวจทหารไปปราบกามผู้ร้ายไม่ต่อสู้ อ, นนอันนี้มันสมมุติขึ้นมาเพื่อทำการทํางานตามหน้าที่อไม่รู้จักสมมุติจันนี้ก็รู้จักกาศาสนาเลยศาสนาเป็ว่าคําสอนสอนเข้าหูตาดูเนี่ยสอนศาสนาศาสนาจะสอนคำตั้งสอนสอนให้คนล่าเชื่อถื ไม่ใช่สอนอย่างคนมีความรู้อาจจก็มาสอนแต่ว่าสอนให้เราตัวทำดีเท่า น, นั้นเองไม่ว่าคำว่ า, า, า, าศาสนาพุทธศาสนาแบบนี้คือตัวทิดมือขู้นบรรนี่ยปัญญาสุขะเออตัวรู้นี่พุทธไม่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบา้ีธรรมดูด้วยทำก็ธรรมะอันนี้แบนี้แต่ว่าใจานั้นเป็นปัญญาสุทขะตัวสติตัวปัญญาตัวความรู้น่ะตัว น, นั้นสตาสานาคือตัวคนทุกคนนี่เองเหมือนกันผู้ยึนก็เป็นสตาสนาผู้ใจก็เป็นสตาสนา ชาติงองเจ้าก็เป็นชาติชนาคนรวยก็เป็นชาสนาคนจนก็เป็นชาสนาเสียหนึ่งสือได้ก็เป็นชาสนาเสียหนึ่งสือไม่ได้ก็เป็นชาติชนาใครว่าคนทั้งโลกไม่เลยจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคามลคนยวนคนลาวคนเยอรมันให้พอตามเนะี่ยให้ถือว่าคนเนี่ยเป็นชาสนาเท่านั้นอันเราไปสมมุติว่าชาติชนาคิษชาติชนา อิสาลามศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรต่างๆเ่ยมันสมมุติสมมติขึ้นมาให้ซื้อมาทำเองแังว่าวิธีเนี่ยใครทำเขารู้ทั้งหมดมเลยจะขอให้ทำทุกกล้องทั้งนี้วิธีนี้แล้วก็ไม่มอลิคมอะไรทั้งหมดเกี่ยงกับควารู้ เ, ะะเทคนิคเองไม่นึกในคิดเองแต่ว่าคนอื่นอาจจะนึกจะคิดกระด้างเลยหวพอบุหัวจัง ขันว่าคมสำคัญทีเนก็ต้องว่ า, าษาบ้านหนพอหลวงพ่อแทบโดนหนึ่งได้คิดอย่างีทิปทิ้งใทิ้มาสิา น, สาสาานีงอดตกแคขาเลยพราตกแคขาบึงเ น, นี่ยหงพ่อเลยูเลยทันทีหวพ่อเลยตามปกติตกเลกๆบางทีหลพอก็เลยบ้งที่าโอ้มันเป็นรูปเป็นนมมามได้เ น, นีงออดอะไรแนวปยอ ง, อ, ยงอ่านฟอบ้านหนวพอเลยเ่นงอดขาลงพ่อก็เป็นรูปเป็นนามอ่ะมันต้อดข า, า น, นีมนม่มยมงบได้นวยงออีกบุ้อง เป็นตัโ ก, ตโโต ก, นน ก, กดตัวโลดตัวอะไรก็ห้าตันแล้วมันก็ยุ่งน้ำมันมันบ่กัดเราด้โอ้มันก็นมีธรรมะที่ต่างแต่มันรู้พูดคัดจากันไม่ได้เองนเนี่ยหลวงพ่เ ข, ข้าใจงันกันคือว่ารู้จากพุทธศ า, าสนารู้จากศาสนาบาปด้วยนี้บาปคืองโง่บุรูษตัวเองนั่นเองแต่รู้จะพูดอื้งหุ่นบาปเลยจริงบุรุษตัวเองบาปคือมืดบาปคือไม่รู้บุญด้วยไหเนี่ยบุญคือรู้บุญคือสว่าง บุญคือดูใจกันได้รู้แล้วแต่เชืว่าบ่แม่ยกในน้ำดอกอะนาาชางากยากเจ้าแลบมเรื่องของเจ้าเรื่องของเหาที่กั้แคนอื่นที่รูดีเหมือนตัวเรารู้ตัวเราบ่ได้นี่แหลสมมาทิฏฐหลงพอเขาจะเรื่องสมาทิฏสมาทิฏกับมุกขทิฏฐิมันตรงกันข้ามสมมาทิฏได้เห็นถูกต้องกันเห็นอบเห็นอบได้เห็นตัวเหาเนี่ยบ่ได้จะเห็นผู้อื่นเนี่นีลเห็นถูกต้องแท้แทนี่ จับนี่ก็เป็นขานจับนี่ก็เป็นหจับนี่ก็เป็นตาถูกตก้องจริงๆเมื่อสัมมาทิฏฐิจัวัดเห็นถูกต้องเหยยง็นช อ, เอบเป็ น, แแ น, น, น, ปปนวนอน่อย่างนั้เมื่อเรีนรู้จากบาปเรีู้จากบุญแล้วแบบนี้มรรอผลนี้อารมณ์รุนแรงใครี่ว่านอกเหนือจากน้กันตั้งหลวงพ่อเสือเลยเพราะหลวงพ่อลู่จริงเนะนี่จริงๆก็เลยมาทําอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยดูใจอยู่ทังวันเลยแบบนี้เดินจงกรมไปทีแรกหลวงพ่อลูต่ตัวหมดวันนี้มันปุบเข้ามามาเกิดตีตีขึ้นมา ก็ตีสีขึ้นมาจยากแระเทศให้สีฟังอะไรแบบนี้เทศให้สีฟงงังต้องยอยู่อย่างนี้เทศให้เดียวเท ว, วดาฟังต้องอยางอย่างนี้โดยอย่างนี้เป็นเพราะยัง ย, า, ยางอยู่หรือเลนะ่เนเป็นผู้เดียวมันมันเข้าไปในควมคิดมัดเลยอันนั้นเป็นผมรู้ที่ออกนอ ก, กนตัวเราไปก็่กระดีมันกกะะรู้กลวงเข้าไปทีสี ร, ร, รนนู้ล้วรู้อย่างนี้รู้แล้วู้รู้ล้วรูอันลูกน้ำนี่รู้ว่ารู้แากเธอเลยอันนี้สัญญาสัญญาตัวมันโตขึ้นมาเองโยต์สัญญาขัน ลูกขันสัญญาขันสังขันขันยิงงานขันเลยนาขันมาทุกขโมกตัวขันอันนี้มีสิ่งอะไรสิ่งปลว่าตั้งมั่นสินน่งเปรียบปกติบบนี้ไม่เป็นปกติรู้ยังไงกรันเรื่อิ่อันนี้โต้องไปรับกับพระกับเนรโบตจะไปสมมาทานกับเพรพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงพ่อบอกว่าถ้าบ้านใดบบมีพระเจ้าพระ ส, สงฆ์บมีสมมเนนะไปสมมาทานกับพระพุทธลูกก็ได้อะ สมถทานเอาสิถ้าบอกสมถทานเอาสิจะไม่มีสินธิ์อะไรเป็ น, นวายก่อนอันนั้นเพื่อนก็รู้จังสันพ่อแมอ่ครูบาอาจารย์รู้จังสันพวกกระสอยจังสันพี่มันหลวงพ่อมารู้สินอ้อยบัต้องไปเอาาให้กระได้คืนนี้คือโบพวกคิดลายอะไรแต่ปกติอยู่เองรู้อันนี้พอดูรู้เรื่องนี้ไปเราเดินไปเดินมาตกเย็นมันลวงพอไปอาบนา้ำหลวงพ่อเข้าไปดงสคิดหลวงพ่อาบนา้ำมาแล้วหลพอมาเดิน ข้างนั่นเป็นต้นสมพ่อต้นต้นต้นคอยเนี่ยต้นสมพอบ้านนี่ก็ทางนี้นเป็นต้นมะขันเอ็มมะพุชาทางทิศเหน้อเนี่ยแล้วมันตรงข้นนี้จะเดินนี่าะเดินกลับไปกลับมามันชุกชุกขึ้นมาหลวงพอบรูคล้ายคล้ายจะ็ีคนมาทุกค้างหลวงพ่อมาผักมาทุกทันเดียวนะลูกนี่ยเขาจะมาทุกค้ามาผักค้างตัวนี้นอสเลยบ่เห็นคน บางคนแล้วก็เดินกลับไปกลับมามันคิดเอามาทดสอบมีพอลู้อ๋มันคิดแล้วอันี่ยมีพอรูแต่เด็กพออยังยังยังบูทันเอาความคิดได้เจอมันคิดขึ้นมาที่สามเนี่ยอ๋อมันคิดได้เธอหลวงพ่อเกิดเสียดให้ว่าให้คุณแม่จากหนูแมวกับหนูนี่มันเป็นของตรงกันค้าบมันเนี่ยมนูกกัก็ไม่รู้เนี่ยมันตรงกันค้ามกอดีเดินไปมาคิดปุ๊บหลวงพอรู้อ๋อมันรู้แต่เมื่อจะเท่านั้นแมวตัวน้อยหนูตัวใหญ่ ขอดียอแมวจะพุ่งบางทหนูมันลากไปติดไปมันไม่เคยวางหนูลากไปติดไปแบบนี้มันเนื่อแล้วมันวางหนูหนูก็เลยไายแล้วแมวก็เิ็นตัวน้อยในแหงบวทหบวทห์แมวบวทห์หนูบัด น, นี้มันเห็นแล้วจ้ะในแหงหนูมันใหญ่แล้วแบบนี้แมวตัวง่าย ห, หนูก็ตัวง่หนูออกมาหนูมันอยู่ที่พื้นออกมาบนแจ้งบวได้แมวมันระวัง พอดีหนูออกมานี่แมวมันก็โดดใส่แหลงย่างแหลงคุบปุ๊บหนูไม่นอกตายเลยตัวคงคิดด้วยกันเหมือนกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นรู้เข้าใจมันหยุดทันทีเลยหลวพอเห็นเหมือนกันแต่ผู้อื่นที่เห็นแต่บุพุทธเจ้าลวพ่อเจอว่ากล้าเยียวยารับรองว่าทุกคนจึงสมัครข้อมันคืกันนี้เด้่ยโกคือกันเนี่ยพอบโบให้สิกันธรรมะแท้จริงคือซึ่งเดียวกันเท่านั้นจะเป็นคนชาติใดก็ต้องรู้จากนั้น ถ้าหากไม่รู้อย่านี้บริเวณธรรมะอยงนั้นมันธรรมะอย่างอืน่นที่หลวงพ่อว่าให้ฝังมูลเตาเนี่ยในประเทศอินเดียมีร้อยแปดศาสนาร้อยแปดลทัทธิร้อแปดอาจารย์บบบนี้เราที่ไปเอาของไถ่หุบบุหะจักมาสอนกันที่บ้านเขาคนไทยจะเอามาหรือเพื่นเอามา้แต่ก้อนต้งเช้ปูตานะทั่วใส่หุอไมาเขาบุหะจักเพื่อจะจับเอาของพระพุทธเจ้ามาหรือว่าจะจับเอาของผู้เดมมาหุบบุหะจักเขาจึงมายึดตามกันไปบันี้ หนูงพ่อกรบบไดวาปูนันปูนีนะหลวงพ่อกับทำอ่ะให้ทานหนูงพ่อกับมักให้ทานเสกจนมิตรไม่หมจุลและหลวงพ่อดให้ทานในวันใดมี้เดี๋ยวหลวงพ่อไปถ่ายเป็นมิตรนะพหนูพ่อยานจะจกนรกหลพ่อยากไปหนูสวรรค์สวรรค์นี่ใส่กระโบหั้จักนะพอบัตรตายไปแล้วมีเทวดามาเทกเอามีนนตีมีลานาทัดคลองมาเทกออกไปเมืองสวรรค์เหือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์่างกัน เราก็ต้องทําอี่ยท่านเพราะเราบูรูเด้ก็ต้องทำไปนี่ยหลวงพ่บวันนีมน้มันคิด ป, ปุ๊บรู้จักมันคิดปุ๊บรู้จักลงพ่อกระเห็นเลยโอ้ก็ความรู้ขึ้นมาจากจิตใจรูว้วัตถุก่อนวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างดินงฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาหุวนหนอกของบุเดวัตถุทั้งหมดวันนี้แท้งขาเนื้อหนังที่นึกก็เป็นวัตถุมันจิตใจนึกเป็นวัตถุอหนโอ้วัตถุมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกนี้โลกข้างนอก จินปภาอาการโลกข้างในคือม eh Vanguard ู้ตักเนี่ยมันวายอย่างนั้นแล้วก็เลยรู้จากโลกโอ้ตัวเราก็เป็นลลกชนิดหนึ่งเลจ้ะก็เลยกําลังรู้กําลังเห็นกําลังเป็นกำลังมีอยู่เป็นปัลลามะปัลลามะกันมาที่กิจวันรวันนี้อาการสภาพเปี่ยงแปลงก็ได้คนนุ่มน้อยเข้าแก่กายไปตอนนีนก็คือการเคลื่อนมันแล้วกันไงที่จะตายไปเท็กซ์ึ่งพวกยังสายมัดเป็นการเปลี้ยงแปลงเป็นอาการทางนั้นมุเนี่ยหรืเงินทองที่ก็คือการ เหตุย่างไรวะท่เป็นอาการเต้นต่เรื่องขเรียว่าอาการวัดถูปลามัดอาการต้องเห็นอย่างนี้ท้าบุญเห็นอย่างนี้กต่เพื่อบริลุทธธรรมะแบดนี้รู้ธรรมะแบบอื่นดังนั้นหลวงพ่อรู้จริงหลวงพ่อก้าอยู่อย่างหลวงพ่อสอนคนมารลายคนเมื่อรู้วัดถู้รู้ปรามัดรู้อาการเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบได้ก่อนเห็นโภชะโมหโนภาแต่วัยเห็นยืดยืดแต่เห็น แค่บทวิสานี้เห็นได้เห็นมันรู้หน้าตาแฉ่งขา่าเป็นยังไงู้จับเนื่งว่าตัวมันเองบอกมันเองช่วงสัญญาแต่เราผมรู้คือสัญญาตัวนั้นนะบอกมึงสมมุติว่าเนะอันนี้มือเนอื้อสิมันบอกอังกิษอันนี้หน้าภากเนะ น, นื้อสิมนบอกอังกฤมันบอกมันเองก็รู้ที่ตัวมันต้องบอกมันเองเป็นอย่างไรต้องรู้เนพรรู้อย่างนี้นพอดีเหตุอย่างนี้เราก็เลยรู้เห็นเข้าใจเรีนานาม สัญญาสังขารดินญาณเป็นมูกันเข้ามาเลยคือว่ารู้จักขันห้าขันซื่ขันหนึ่งเนี่ยเป็นว่าขันห้าขันนั่นเลยขันสี่ขันขันขันเดียวสินกำลาพุนชอหนือนกันเลยรู้ไปตามคนจริงนี่ได้เนี่ยพอรู้โบได้รู้ไปอย่างอื่นอันนี้รู้แท้ๆพอรู้รู้อันนี้กับเวทนาโบทุกสัญญาโบทุกสังขารโบทุกดินญาณโบทุกอันเป็นเทวดานะโบได้รู้อันนี้เสรคือเวทนาสัญญา สังขานวิญญาณเต็นเป็นเทวดาเขามองบุเห็นจึงว่าคนมีตาทิพต้องมองเห็นเนี่ยพี่ก <femme> ็คือกันว่เป็นรูปอันนี้เต็มเลธนานั้นเต็มสัญญาณนั้นเต็มสังขานนั้นเต็มวิญญาณนั้นเต็มเป็นจีก็ได้บวเป็นรูปล่างอันนี้เต็มแล้วจอกคนมีตาทิพจึงเห็นอันนี้แหละเพิ่มว่ารูปตี่อันนี้เอิ้นน้ํารูปอันนี้ว่เป็นรูปน้ําลยน้ำรูปอันนี้น้ำมันเป็นรูปคิดผู้หูจับคิด กิว่านามเอิว่านี่ก็เออ้นวากินยานกันนี่งินยานรู้กันนินยานขัินยานเป็ว่ญญารู้บุญไม่กินยาน ต, ต, ตายแล้วลอยเหาะไปทั้งคือบุคลวาแต่ก่อนเนี่ยพอกวานแต่ีแต่ก่อนหนูพอกวาตายแล้วแต่เกิดทาบาปแต่เกิดเป็นลูกัาทาบุญกับตัเกิดนคนเอาหัวไปมุดเข้าทองโขนได้เนี่สักทีมันมาเข้าใจแล้วเอบุญน่เอาหัวไปมุดเข้าทองคนมันเป็นธรรมชาติคนมันข้าเจ้าีเราก็ต้องมีลูกสิ ว่เม่อจิตเขาไปเข้าเดี่ยเขาทองคนว่แมนหลงพ่อ เ, เข้าใจอย่างกันเข้าใจจริงจรงเลยนี่ยเห็นดวจริงจริงอย่บูเชืยไผ่สรรมะที่อกไผสียว่าจะกระทันซงแม้เสื่อมั่นในใจตัวเองขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าหอมมาย่นี่ส์ว่แมนเนีหลวงพ่อวา ก, กับบูเชียขนาดนั้นใ่ข่าวนั้นบได้บวชเกเนเป็นพ่อเทียนเขาจะเอ้นพ่อในเทียนเกิดตื่ยหนูพอเลย ว, ว, ว่าคาือนว่าทำว่าแมนเนี่ยพัน ่านีโบเสื้อเพราะผมพูดอย่างนี้สมมุติคือว่าอย่างนี้เอาเลยทีเดียวโบแมนได่เพราะเช่นนี้โบเสื้อพอผมรู้อย่างนี้คืว่าอย่างนี้คือว่ากับพระพุทธเจ้ากันมาเลยทีเดียวคือว่าโบเ ส, ส, ส, สื้อใครเป็นนี่หละกรรมมาทิชิตเห็นถูกต้องว่ะทิชิตทุคนเห็นเมื่อตรงกลางแทนโบเสื้อ ใ, ใ, นในควรตัางเหมือนกับว่าตรงกลางถ้าไปเสื้อคนนั้นไปเสื้อคนนี้เกิดแว่าตรงกลางโมบนินโบแมนมกักโบแมนเดินทางตรงกลางเดินทางค้อเดินข้างขัดมันนั้น ข้ามึงนี้ขอบนเสื้อมันตัวเองมาคิดไปเที่ยวตรงกลางได้ยังไงคนอื่นคุณอายุพ่อข้างคุณว่าโบแม่เ น, น, นีเ่ยเยี่ยมเสื้อเข้าไปเลยอันนั้นโบแม่ตรงกลางเนี่โบแม่ตรงกลางเลยเถอะเตียงแต่ข้างกายข้างขวดรู้อย่างนี้พอรู้อย่างนี้เดินกลับไปกลับมาเกิดมีผมรู้คนอีกสิ่งเห็นสิเลสเห็นปัญหา เห็นอุปทานเห็นกรรมรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นโมลโลกบุลุจากเถื่อนี้แหละคือว่าสัญญาความหมายรู้จำได้หน้าตาดั้งเดิมของมันเป็นอย่างนั้นรู้จักอย่างนี้คือวเลยรู้จักสิ่นขันสมาธิขันปัญญาขันกิเลสอันนีออกแล้วจิตวิจิเลรอย่างหยาบจึงจิงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาบคิดมันไล่หนีให้ว่ามเท่ไปมันไลลหนีคือเมื่อเห็นวัตถุเป็นจิตมันไหลหนีที่ไหนที่ไหน มีโมดีไว้กันก็ได้มันสมมติว่าแล้วก็เลยหนีแล้วก็เลยบททุกเด่นก็เลยพูดแบบว่าสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันรูปเป็นขันเทนาเป็นขันปัญญาเป็นขันสร้างขานเป็นขันดึงงานเป็นขันจําพวกนี้มีสิ่งมั้งิ่งคนละโตละโตกันหนุพอเข้าใจกันที่ว่าสิ่งขันขันดีจากนั้นได้ขินหุพอพูดแต่สมมติให้ฟัง คันแกะเราจักนาโบได้คันดีเอาไปจักอาหารได้กินคันแกะจักอาหารกระโบได้กินคันดีจัเข้าใจบาตให้ภาคน่ากินคันที่ลายโบผัดโบสีจกเขาให้ภากระโบอยากเอาไปกินและผากระเดินมาขันที่ลายด้วยคนคือการคณะใจดีแล้วก็รู้จักใจโบดีมันคือรู้จักบวงใจขุนหมัวมือนกับมืดหม่นอนทัการเดือดัดกิเมสไปบังดวงตะเวีนนี่งเห็นวะ กะเวนเนี่ยก็ออกแต่งสว่างไนกระดำตาเราเม็ดบังอยู่เขาเอื่นฟ้าบทบ้านอย่าอฟ้าบทตะเวนบดความจริงฟ้าบดได้บทตะเวนบดได้บทเม็ดตั้งห้าไปบังใจหานี่ก็คือกันความจริงใจฮอบวูหายใจหอบวโก้บูโลบูลมันมีอันจะกระทบซื้อกับเปียกได้กับน้ำสีบ่บดน้ำสี่เต็มกระป๋องแล้วคุณน้ำภาพร้อยเปอรเซนเอาไปลงในน้ำบ่เนี่ยน้ำมันแดงเอาผ้าขาวไปยอมปุ๊บ ผ้าแดงมดถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นํำดำผ้าดำมัดเนี่ยข่มโลภผ ม, ผ ม, ผมโกรคุมลงโทสะโมหะโลภะเจเลสกันหาวปทานคำม่อเข้าไปยึดป่านนึ้นเขาบอกเห็นเขาจึงโกตเต็มที่เขาบอกโกตน้อยแต่เนเขาบอโกตเต็มที่แล้เบื้องข่อไม่มือนี่บางคนมีบอเคยได้ยินนะหมู่เพิ่นแสดงว่ากูเบิ่งมือท่ากบปั้นนี่ได้เคยว่าคนทั้งคนแสดงเบิ่องน้อยเขา้ามาท่อพวกมือได้เคยว่าเบื่งน้อยเขา้ามาท่อใสหินห้อยนี่เข้ามาในสำคัญ น, นั่นนะ บ้านหนูพอวาเนี่เบิ่งบวชเหตุได้มึงเนี่ยพอวะเนี่ยเบิ่งบวชเหตบดใจมันเป็นอะไรหมาเนี่ยใจหมาได้เนี่ยเขาเอื่อนึ่นะบอกหมาอันว่าพูดใจอะไรพู้ยก็ไงอีหมานี่บ้านหนูเขาเอื่นหมาเพราะว่าใจเขาเป็นหมาแล้วไปเห็นกลุ่มเป็นหมาเลยปะมันเป็นอย่างไรหลวงพเห็นอย่างไรพู้เื่องที่เห็นันในบุคจ พูดอยากอื่นบุหงาจักเนี่ยพอหงาจักเจตุเนี่พอเนาะผอื่นจรูดีก่อน่ยพอบ่ได้เนี่ยพอต้องรู้ตัวเนี่พอดีคนทุกคนเนี่ยพอจึงโอ้ผลทุกคนถ้าหากว่ากอนจริงๆมันต้องรู้กันเนี่ยพอดีรู้อันนี้เลวพอกันเลยหงาจักโอ้เนี่ยมักผลกตุปมาการผู้ติยการเนี่ยของหงจักเลยในช่วงตอนแรงตอนแรงหลบพอก็เดินจมกรมอยู่ประมาณจากสามทุ่มสามทุ่กว่านี่แหละ อันนี้วอกควจริงเรื่องมรรคเรื่องผลจริงจริงอันนี้เพราะว่าเตือนกั น, นทุกคนมาทีนี้ก็ต้องตั้งใจฝังและนาไปปฏิบัตินอนตึ่นขึ้นมาลงก็อก็มาลางหน้าแปลงตันธรรมดาเท่านี้แหละก็ออกไปเดินจมกลมไปเดินไปเดินมามีทิศจิตตัวหนึ่งบ้านหนาลวงพ่อโลทิศทางพี่เอจิเ อ, อ็นตะคาบกระได้โตรดใหญ่มันแลนผ่านหน้าหลวงพ่อไปหลวงพ่จะเอาเทียงใครตามไปเพราะว่าย่านมังกรย่านมังกรมันมันหกหนึ่ง ตาไปบวเห็นบ่ชเห็นหลวพ่อเอาเชียงไข่ไปตั้งไว้คุณตั้งไว้หลวงพ่อก็มาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาความจริงแล้วกรรมที่กิเลสย่างกลางเนี่ยรู้จักกับนี่ทีเดียวตอนมือหัวแหลงนั้นรู้จักกิเลสย่างหนักตอนกลางคืนนี่หลวงพ่อเนี่ยากตีสามสองหลวพอรู้จักกิเลสย่างกลางเลยโอ้กูไปนั่งกรรมฐานมีอกดีใจสงบนั้นมันกิเลสเน กูบูเขาจักกิเลสจะมันอยู่ในถ้ำได้แบบนี้อันนั้นเราซื้อว่าอยู่ในถ้ำนั่นคือใต้ไสอยู่ในตันซางแล้วกมมืดมาอยู่ในตัวนี้นุกพอเปียกเหมือนกันยกไปให้เราที่กุมมืดมายุกเป็นฟอกเนี่ยห น, น, นุกพอว่าเอาไปมาข้างนี้ลืดมาแล่นมาข้างหลังนี้เอาไฟนํามาข้างหลังนี้มืดมาข้างหน้าแล่นอยู่ในเ่านี้เองหนุกพอสมมุติเอาซื้ออันนี้แต่ผู้อื่นก็สมมุติแันได้บูฮู้จักบัด น, นี้เราเข้าไปในถ้ำแบบนี้เขาใต้ไฟเราบูได้เห็นในหลังถ้ำ ปากทำโบได้เห็นโบได้เห็นรูปทรงของธรรม อ, อั น, น, ออนอดีใจนี่ว่ามืดสีขาวเอี่ยทำบุญให้ฐานดีอกดีใจในมืดสีขาวอันมาทำคนส ง, งบนี่ดีใจยุ่กับมืดสีขาวเนี่ยยกตามมาลมยิน ด, ดีในอารมณ์อนั้นนี่บากคนรู้จังสิอ้อออกอะไรมันออกจากธรรมอะไรกันสมาธิกรรมฐานสมาสิจังีิยังอ่ะกรรมฐานกวิปัสสนามันเป็นมู่เดียบันเจ้าไว้ใจโบได้ บ้านี้ก็บวบให้มันบวให้หลักตาแต่เถอบวบมันสงบเดีบันักนางส่งที่บออกมาทำขมขื่นใหมเรื่อยๆอย่างไรผมมืดหนีแต่ที่แบบนี้ขมมือก็มีไปเนี่ยให้ว่ามีเอาจากทั้มมาได้เหงื่อยังอย่างพระวานเนี่ยเป็นคนแจลูกเอ๋ออันนี้แหละเป็นทางลัดแท้ๆเป็นทางตรงแท้ๆขึ้นเครื่องบินก็ไปแท้อันเนี่ยโดยที่ว่าโบกเกอเขินยังอย่างพระวานมือเ่านี่ยขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าหากว่าคนขับเครื่องบินโบดีจะบูกจักเครื่องบิน เสียว่าในกาขับขเครื่องบินเคืงินจะหยุดกลางอากาศม้นตายได้เหรอเพราะเหมือนบม่นมีน้ํามันบอกเขาเครื่องบินเครื่งบิน บ, บอกู่าไปกระจกลงมาขึ้นจะตายแล้วเนี่ยต้องคนตานานขับเครื่องดินรู้จักขวดเครื่องดินเน่ยมีเครื่องยนต์คนไกอนามัยเสียน้ํามันมั น, ส, น, มนมสะดวกดีบออันใดมัาสะดวกดีแล้วก็ไปได้ปลอดภัยคนที่อีซอนก็คือการออกเซมูเซ่อะไรเงี้ยคนที่อีซอนเนี่ยต้องรู้จักว่าเนี่ยคนนั้นพูดอันนั้นเรื่องนั้น คนมันพูดอะนั so, like so it, exactly. ่นนั่นต้องรู้จักจริงเมื่อเขาเออรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงๆรู้อย่างเสียเนี่ยเพราก็เลยรู้จักโอ้กรรมฐานมาติดกรมสงบแบบนั้นสงบแบบนั้นเลยเชียงวานโรู้จักมาตัวจสงบอะไรสงบแบบไม่สงบอะไรอยากสงบก็ะท่านพนวาอยากโบสงบอะไรไงไอ้ว่าอยากโบสงบอะไรไน อยากบสงบยังได้เป şey, so ็นนางอยู the the the the ่ถ้าเป็นนงอยู่ผู้เดืยมันจะสงบตายมีหยังเห็นมาวันอย่างให้เนี่ยคือเอิ้นบวกสงบไปเข้ามูสังเข้มู้นเี่ยว่าป๊อบดีใจขึ้นมาเรียบนี้สั้นขึ้นมารียนมันบสงบอด้งนี่มันคือแบบนี้อ่ะโอ้ว่าบวชทุกใจหนึ่งข้าเจ้าว่าบวชทกใจเน้นว่าบวชบวมันทูกใจอันมันทุกตบตีมาเจออย่างว่าบทกใจอยู่บวเข้าเจ้าว่าให้เขาจังสัญญาเจียมันทูกใจเด้บวชนี้เหมันบทกใจเด้ เขาบอกมาว่าโบแมนใจเลยมันแนใ่ น, นหัวใจเขาจะวางเขาโบหูวจักจริงวะเขาจะไปว้าจังอื่นบุ้นวะคำพูดมูนี่นะ่ะเขาไปเว้ามาจากภาษาอิตาลีอแล้วบางทีโบได้ไปวอาภาษาพระพุทธเจ้าก็ได้เอาละที่พระพุทอื่นมาสอนกับกระได้จริงว่าะทำเราใดเป็นไปประกวมเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นยุติไ นั่นไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าศึกษาและไม่น่าปฏิบัติเป็นหลักแล้วก็ยังเอามาสอนยืนอย่างพอเอามาสอนพ่อสอนแม่สอนไอสอนน้องสอนเมียเจ้าของกระสอนให้ว่าใช่ไหมนึกว่าเจ้าของถูกต้องเมียอันนี้แหละจิ๋วเจ้าของเห็นอันนั้ตะว่าอันนั้นถูกต้องบ้านไปสอนเขาเจ้ามาแล้วแบบนี้กูไะ แ, แก้ขาเจ้ากระยานไม่ดีนะข้าจะาติดแล้วแบบนี้อันเป็นอยงนันนน้มาที่อ้ายอย่างพ่อคนนึงที่อ้าคนละแม่กันคนนั้นรักหลวงพ่อจะอย่างน้อย หนูพ่อไปใส่มาใส่เอิญยูโบใส่เสื้อข้เจ้าโบมีลูกก็ อ, อยาหนพอไปอยู่ใกล้ข้เจ้าใ ห, ให้ว่ายื่ออนํากินนําให้ว่าจะไปอยากก็ยังน้อยเลี้ยงกันมาเนีย่ยพอมาบวชเนีย่ยพอรู้จักจกลัมาถาไปสอนข้เจ้าโบเนี้ตอนข้เจ้าก็เสือเ่ยพอเมืบัดนี้เน่าพอรู้จักทำมาอันนี้ไปสอนข้เจ้าบบเอาแล้วบัดนี้มึงเนี่ยว่าวไปอย่างไงนางสีดานพอจำนิดนึงดูด้อันนั้ น, น, บ น, น, น, ดดนบโบทูกอันนี้โบทูกบัด น, นี้มึงมันสร้สงสรางเว่าวอย่างไงนางสีดาเนี่ยโบแมน อันนกับแม่ยูว่าใช่ไเจ้าบูฮุจักก็แ่ทิ้งเดียว่าไงบูฮุจักไม่ห้มึงยังว่าจะบูฮจักเีดาวเงี้ยคอยทอ๋มดปัญญาเนี่ยอกันเลยดากเขสร้างเขาเจ้าแรกเขาเจก็มีคุณเราบูฮจักเป็นอย่างดาอ๋อทั้งตัวทั้งเมียตายเลยบูฮุจักธรรมะแบบไี่สักน้อยอันนี้แหละคือว่ามันติดแน่นมาเป็นอุปทานนี่แหละคืออุปทานนะครับสามอะไรกิเลสปัญหามันจะยางเหนียวกิเลสเล็กยางเหนียว ให้วัคคีเลได้เป็นอย่างเหนียวเอาอย่างไหมขึ้นแต่ตับทาพุ่กันอ่อนอันนี้ก็อ่อนติดกันตุกเลยกรเดียบบันนี้ถ้าหักทางพุ้งมนแข็งแข็งพุ่งแข็งนใชกันทุ้บบางทีมันมุติดกันเลยฟุ้งออกเหมือนวัดลงพอเข้าใจอย่างนี้วัคคีเลกที่ออกาเป็นอย่างเหนียวตันหาสิยากเป็นว่าตันหาเพรยากก็มันติดกันอย่นี้อุปทานยึดมั่นถึงกรรมก็เกิไว้แบบนี้หลงพอเข้าใจครับงนี้ว่าใครที่ว่าท่านกำลังสร้างให้อันนี้เรียกว่าโอ เป็นปฐมากาลพู้สิญาการตัสญาศารแบบ น, นี้ก็เลยผู้จักเรื่องกรรมฐานนั้นจากตุวพ า, ารบัเนี่กลับสิโลก็ได้เพราะว่าจากตัวพารบัเนี่ยวาารนนยวมกันเขา้าธาตุขันห้าดินน้ำไปลมพิิวะจงกวารลรวมตัวกันเขา้า เป็นอันเดียวกันสมมุติแบบนี้ไม่สามโตหามามัดกันซีเดียกจะเป็นหึงสามขาบ้านหลวงพ่อทุกบ้านวอลมตัดออกขานึ่งก้านยังสองขาลมสูงลบไปเดียววันนี้เอาไว้ขาเดียวบันในสองขาบเอาไว้ยิ่งตั้งเบญจุยเฉลยเนี่ยก็จะอ๋อมันจะอย่างนี้แน้เจะสู้ท่าสารมาถึงรวมกันคือห้าคนหอกกางๆคือร้อยคนพันคนกระทำรวมทํางานเอาทํางานอันนี้ช่วยกันทำทำไั้เลยพอดีได้เวลาทีละครังส่งวางโตเลย ทุกคนวางกระดาษพร้อมเทียงกันหมดอันนี้เรียกว่าจะตุภาษาสัรเกตพร้อมเทียงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้จั ก, จกอภิสุนตคือบาปเนี่ทางกายทางวาจาทางใจรู้จักว่าปุศุนคือบุนคือดีเนี่ยทางกายวาจาใจวอลลัลลัตแบบ น, นี้บม่ได้ววเหงาเพราะว่าวาวเหงาวแสดงมาเป็นหลายรายละเอียดนี่ยว่าละเอียดเกี่แล้วบบเมื่อมาเห็นอันนี้แล้วมันขาดคงปุ๊บในทันทีเลย นี่มันขาดช่วงปุ๊บเลยหลูพ่อวานเอาเสือกัดปุ๊บจริงี่มัดอะารกัดเสื้อมันเสด็จมาเข้าที่รบปเดียรมันคืนมาเอ้ยมันเสด็จกันได้มันหดเอามาที่เสานีขณะก็มันหดไปที่เจ้านนั้นมัขาดอายุขนาดมดทีเลตมืดยางแล้วแบบนี้อ๋อมันเรื่องมันยางเหนียวไหมอันนี้ดิ้วที่มัเจ็บเข้าใจมันจี้ไปจนตูนตอนนี้ตอนเข้าประมาณปีห้านี่แหละเราต้เข้าใจ เอามือประจับสมมุติเราจับผู้น้อยเอาุืแกสียไปเนเนื้อหนังมันแดงสิเขามือไปแสะมันจืดลดมาะดียบโอ้ตัวโตเขามันก็จืดจริงๆนี่นะคล้ายๆคือมันคือหยองปลายคือสําลีเนี่ยสําลีเนี่ยออกไปใช้น้ามันอยู่บีบออกมดตันดีเนี่ยมันบุกิ่นน้หรือผ้าเหนียร้อนไปบคุณสมเขาไปซุปน้ำเนื้อมันจืบบุกินน้ำผ้าเนียร้อนกันเน่นบอกผ้าเหนียร้อนมันบุกซุปน้าโอ้มันมุดยางมันเป็นอะไรเนาะเข้าใจเหมือกัน นี่แหละสภาพจักตัวท่าสามมันให้จัดอันนี้รวมกันหมดแล้วเลิกกันเลิกกันเลยไอ้ท่นแล้วก็เลยรู้จักโอ้พระพุทธเจ้ากัดผมครั้งเดียวไม่กัดอันนี้บไม่ไดสัตว์มันดอกมันเป็นเองวะไอ้นก็เลยยกมือให้ตัวเองได้เลยนะครับโอ้เพียงใจให้ตังซีเบิ้งจิตเบิ้งใจนี้สำเนาเป็นอย่างซีงอ่ะอ้่าบว่าอเกิดมาในชีวิตนี้มันบุกไเป็นอย่างที่จะเป็ ย่างไปย่างมามัน <c ười> ุษย์บ่มีอย่างนี้ฝังให้มันดีย่างไปย่างมาบ่มีก็ต้ก็เลยเข้าใจว่าฝังให้มันดีย่างไปย่างมาบ่มีก็ต้ก็เลยเข้าใจว่าอาการเกศดดับขาวะพลิกหมุดขึ้นเป็นเกิเป็นดับพิกตาเป็นเกิเป็นดับหายใจเป็นเกิเป็นดับคนมพุทเป็นเกิเป็นดับอันนี้บุมไงนั้นเยื่อสมมติบัญญัติปลามัดบัญญัติ อัถะบรรดาศริยาบรรดาศิบรรดาศิริย่คุณเนี่ลึกลึกคุณพรอคมเดียวกันนีวาวกังวดารักษ์เดียวกันี้อาการสะดับการรัก์เดียวกันมันรัคษเดียวกันไปห่อเป็นฟันเป็นลึกเป็นฟันเป็นลึกไปทางการชงเพตุแทนนี่เอว้เหตุกับนวาน่ะเหตุแทนเนี่ยู้จักฟุกฝนโบยยกเลยจึงว่าบนนั้นหูจักและสังเงินฤทธิ์สถิตบราณได้ยอนี้คันพระใดมีสัทธาจริงจรล้ ยังแค่เอาคุณนอเนนิรุลเลยอยสูรู้กันอื่นนะคราไดเลยว่าเต็กพอให้กับเจ้ามีศรัทธาจริงๆงท้าบริศชาจริงจริงสบรูที่มาเจกันเรื่องกระทำอย่างเนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่ตั้งใจถามที่ไปเรียนรู้ที่สีโบเลียนรู้อันนี้คอภทิศอบไดคเนออเบไดมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างสีโบไดมันต้องเต็เอิงมันเป็มละรู้บต้องถามไทั้งมดเลยเถิดอพอจช่ว่ากะห พระพุทธเจ้ามานี่บุแม่นะเทวะเนี่ก็รเรื่องของพระพุทธเจ้าเราบเร่บอกนี่คือว่าคนรู้จริงรู้จริงๆรมูดทางการรู้จริงๆเพราะมันมีสิกัรมัดถ้าหากบรู้เดียวนี้นะจวรจะตายควจะโมดมหายใจองแน่นอนที่สุดเนี่เรียกว่าสัจจะแพ้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แต่ในวัตถะทำเนี่เป็นมาตังแต่เนี่ยรู้อย่างนี้ีกว่าสัจจะแพ้สัจจะโดยพรมซี้คนวางโดแเอื้อนสัจจะทำ กัจจะด้วยคนทิ้งกัจจะทำกัจจะเป้ยคนทิ้งเขาจีวาเสนวตนวานคนนี้บุรุษศัพท์ตนว่าอันนั้นเรื่องหนึ่งเด้่องนึ่คือเขาไปคือติดนะว่าไม่บุรุศัพท์ตัวออันนี้ศัพท์อันหนึ่งเรื่องนี่อันญนพอวานีเป็นศัพท์อันนี้ศัพจจะคนละอันก็เลยอันว่าศัพจานี่มันมันโบเบนที่ว่าอันเดียวนี่ได้ยังไงเขาว่าทุกคนเนี่ยประสบอันนี้มู่ทันยังบอให้ได้ดูเถิดเดียวนี้มีกัต่างๆก็ว่าควนจะมุดลมหายใจเนี่ยต้องุ เราต้องให้รู้ตั้งแต่มื้นี้แต่ดีโกมออื่นรู้เดือนนี้แห่งดีรู้อย่างติงอาะนี้แหงดีแล้วรู้มาหลายปีแ้วนะครู้มาหลายปีแล้วที่ว่ากระต่างต่างว่อย่างกตาเนี้พอสบายใจแล้วผมคิดว่าโอ้บักจับดลสามว่าขยักขยาแล้วสมุติวัดบักกันในโลกอะไรเ้ว่าขยากขย่าแล้วเรื่องสมุตินี่ของคิวมันเป็นยังงตัวมันใจเนื่อกมาที่ที่ประเทเพราะว่าทุกคนที่ไปหันเี่ทำไมคิบนี่มาทิ่ี นี่นะหหออแหละทางเอืทางตรงกลางเน่ะเป็นห่าวาวบู้จากห่าววาวซื้อมาทางเอื้อและทางสายเดียวนะทางคนทุกนะโดมีสองเส้นวนะาวซื้อ อ, อันนั้นตาลาวาวได้หนึ่ยับไปเอามาวาวที่ตำาเช็ดตังซีนี่เลยอันนี้แหละทางเอื้อเสียเองรู้จุดตรงนี้นคนมืองไหนเฮ็ดตังซีเมันทุกทุกรู้ยับไปสังคมเนี่เมือ่อโตใหญ่แล้วแบบนี้มือ่อโตใหญมาพุกจับตัด ต, ตายที่เลย งอมาจากพุกตากับพื้นเลยทีอ่ะตำรวจผมขึ้นมาัดสั้นเข้าสั้นเข้ากับขาดไปเลยนะบบุ๊ีเรื่องนัคงจริงนยิงทั้งมันฆาดมันเองบ่ไม่ทีไปจับมันไม้ผมขึ้นีนเบื้งบนโมได้เลยนี่แหละพระบริจ้าคตัดกระดูเพราะการทำทางจิตทางใจอะก็จเชื่ออย่างไ้ว่าการทำทางจิงทางใจนะเราซื้อนี่นะคนเราดูแลมันต้องรู้จากดิจิตจริงจริตี มันต้องรู้จักในบทเมต谛วิววากันทาทางจิตทางใจแล้วจังกันนั น, ออนอกาววานอานั้นเปผมออกสื่อได้หมบทเของจริเงีปอกล้าแท้ทเลยกลาท่จบุญอย่างจิตเปรียบเพียบอะไนันเครับมาเขขึ้นมากันเลยมาเอาเลยก็ได้จับมือกันไว้เอากาหนดถ้าหากว่ามู่หนูมู่คุจะมีเรือนๆันบาทจงเอามาทําพือ่อสามปีงพอสิทุกย้อนหลังให้เลยเรือนเดียนละพันบาทเียันบาทจริงๆให้จริงๆแต่บทเมีิจิกระหามมาให้ ถ้าหากว่ามูมูนหนูลูกแล้วคิดให้จังได้บะเหนียเอ้าว่ามึงรู้มันต้องเอากันนะคือเนี้ยลงขาพลังกันเด้งเนี่ยการกำนคันโอกมันก็เอาฝันนี้แหละคนจริงมันต้องสู้จริงอืองั้นให้เน่พอคิดให้หวั่นระดับติดบ้านติบ้านตัวก็เอาแต่ว่าให้เป็นคนจริงให้แท้แท้นะเอาตามปีคิดให้รอเนี่คันเนี้ยพอตามปีแล้วเอาเงินหลงพ่อไปแล้วกันหู้ได้กิน้จังได้บะเนียนี่ยพอต้องคิดเอาดอกแล้วบัดเงินกินเงนแมวมันจะเป็นเงินทันเน้อเนี่ย พอเจ็บพวกคนเรื่องนมียก็เลยพอเจ็บกับหูจักลือบาดเดียวนี่เป็นังเรื่องนี้และอาการเกิดดับแว่าอาการเกิดดับเม่ตัวมันคาดนี่เป็นอาการเกิดดับแค่ไอ้มันคิดยังไงบูมแมนอาการเกิดดับมันกับบนยูของเรา่ะมันคาดพุทธของการพูดเกิดดับนี่ว่าพูดเลยมีกีเลสตาแล้วตกเต็มพูดเลยบูมีกเลสารแล้วบูเกิดอยากจะเป็นไยมี่เป็นมิตรานจะเลยเปงว่าเราเอาอันทีซื้อได้เง้มันคาดจากอันที่ซือนว่า มันพาดแล้วมันจึเอายังมาต่อมันท่อนกังวาเลยซึ่งพ่อแม่ปูบาอาจารย์ว่าพระเรียกบุคคลนอนกับเพตรงหางเนี่ยเอาเช้นใหม่นี่กาดเลยซึ่งนี่กรได้โยกก็ได้เขามัอนโบมีนีอย่างจีวาอย่าคือทอนไมทอนฟืนีวายังเป็นวันันนี่เพามันพาดเอาจักการแต่มันจู่ไปหมดที่นี่เนาะแล้วคนมันรู้จังว่าอันนี้นี่มีรถซาบของที่วเษที่สุดซื้อบดได้นะมึงจะมืดแล้วมึงก็คือบดได้นะอันนี้ อันนี้แหละที่ว่าขูมเป็นเทวดาก็ได้วูมเป็นพระอินทร์พระก็ได้ขูมเป็นพระดิยาบุตรก็ได้ที่ว่าสังเณรมากก็ม่เห็นสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละทุกคนต้องประจุคนที่ตายก็ต้องหมดอันนี้สักถ้าบหมดอันนี้อันนี้บุขคลตายบมดได้แต่ว่าทุกคนต้องประสบอันนี้เจียงว่าขันเหือแตกต่างวางเนือ้อมูเตห่วบ่มีกําลังนะ จมปุ้ยลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาโบเห็นหัวแล้วสมกพาดิดนักกกลกเลี้ยงกบานี้แล้วการแสดงมาวางที่คือศรัทธาน้อยเก็บน้อยโดยกเทิ่หลายคเห็นแต่เจ็บแคลงเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเวอวเาามื่อยหายเนี่ยเอาตัวนั้นมาอ้างเล้แบบนี้มันก็จมย่างกันแล้วแบบนี้วันนี้คนไปเหยื่อแต่งต่างวางแบบนี้แต่งต่างนี้มีกําลังแรงจมปุ้งไปแล้วแบบนี้ยันอย่างเหมาโค้กขึ้นมาเห็นหอนก็ตักฟังกันลอยไปแล้วแบบนี้ ที่ทันหอดบดหอดหัมือกระตายคือข้านเดยหนึ่งเดววัแขนเดี๋้วนิดหนี่งคุณก็ได้เห็นกระสังเรียนผู้ที่สองครับผู้ที่สาข้าไปไงเมื่อแกคุดจนลงไปจนหน้าเปียนหอนี่แบบนี้เม่ได้บม่ได้ทุ่มหัวได้น้ำเปียนข้อมองเห็นโดดยางไปยางโบได้ได้แบบนี้มันต้องลอยได้แบบนี้เนี่ยหนึ่งคนมุดที่ซื้ออ้นี่แบนี้พูนึงเื่อแกต่างหวังให้กิงจนหน้ามันึตเียนเอ๋อนี่ยาง สบายได like so. ้พูดหน่น้ำเพียงออกกับน้าเพียงเอกนีผู้ใดคิดสบายเขากันหนึ่าวันนงถึงผู้ทดคิดสบายเขากันวันีึงคนน้าเพียงเอกคิตสบายนบวครับเออไม่เนแล้วก็เดินไปขันน้ำไหลแหงบางที่บยู่ได้ซึ่ต้องลอยไอ้ซึได้พูดนี่ก็ได้เืเป็นอย่านั้นอย่บวยเห็ดเนี่ที่เห็ยู่ิใส่น้ำหลักซอยยุตใส่บวเห็นในน้ำท่านน่ะเมื่อเป็นอย่างนั้เกลื่อเพื่อไม่ต้องคุยอันนึ่บ้านเมผู้หนึ่ถายเหง่อไปพราจิตจีจอดได้เลย แ่พว่เือจมลไงไปเหาก็เจนจะแครงจะขาเฮานี่แล้วงานไต่ได้สบายห็นที่หินตามงานวิดตามที่ตะฟังเป็นสบายมองเห็นน้ำไม่จิบให้เงนเจินตามนั้ น, น, นพูดเลยหันผู้เพืก่อนทั้งกะโอ้ยใบเบ่งหยู่ตะฟรนลอยน้ำมาพได้แ่งเียเป็ น, นคามดีมากศรัทธาของเฮามีมัมดทุกคนญาไปว่ามึดยุคบทสมัยบ่แมนบ่เหมดไปจีกเทื่อข้าหากมีคนอยู่เมือ่อใดมัดผลมีฐานต้องมีอยู่อย่างนั้น ถ้าหากมีคนดูเมื่อใดจนการปฏิบัติกระบราสมัยถ้าปฏิบัติผูกกับทำปฏิบัติบูกกับลอยวันทำพิธีกรรมางแล้วของเห็ุแต่ดังอื่มันี่เหว่บอบรเบทเ่มันกเห่คนพูดเขาีงาไปหาสะพานทับปิงเก้าหรือสะพานกรงโคนเนี่ยสะพานกรงค่ทางนี้เหมนี่ยขีงาไปทางซีกีฮอตว่าสะพานกรุงโรู้ถึงไหมไม่ถึงเอาจากตี๋ถือหมลอยตี๋ถือไหม นี่แหละนี่ะเข้าใจคริงๆคันไปรู้กี่จากสีเราไม่รู้นี่อันนี้แหละการทาที่ว่าทำบุทุกเรื่องได้ทีวา้ยทำอย่างไหนกระสุกเหมือนกันสุนยูมพูดอย่างนะเก็บข้างขันโมได้เพราะว่ามักอย่าง้จะต้องทุกอย่างนั้นหลวพ่อานไส่ทั้งหมดแม่ยูให้เขาได้ได้ทุกอนั้นได้คือปนข้าวขาอย่างไดเขามักอย่างนั้นก็ต้องให้อ่างกันที่ข้างเขาจุดเียอกั้ำเขาจุดทุกหลายเพาเขาทุกไปก็อทนกัย่งดีอยู่ในนี้เย็นงเป็นทางกัน อันนี้สุขอนชาเห็นอยางนี้แล้วรับรองว่าไม่พลาดเลยถ้ามันรู้สึกคนให้เขาซื้อบรูสึกโบแมนนี่จริงได้เนี่ยรู้จริงๆคันรู้จริงโบได้นี่อยากซื้อไปรู้หายนี้อันนี้คว้ามือนี้กับโบเมนนี่จริมันรู้อันนี้โบเมนนี้โบเมนสัญญาอันนั้นไหมบางทีรู้คว้ามัก็รู้ผมรู้นี่เลยอันคนรู้อันนั้นผมยังไม่สัญญาอันนี้เลยสัญญาอันนี้เกี่ยวกับจได้พอดีอย่างที่อย่าพอวานเรื่องลูปเรื่องนามก็รู้จักมันรู้หลงโบลิม จ, กก จ, จ, จับตาจับหูจับปากจับสาบุหลวงบุลินเรื่องโทษศโมฮาโลภาคกบุหลุงบุญลิอลนอ่าที่ว่าดูแจ้งรูจริรจรงรูและสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นเป็นวันเลยเรื่องสิ่งคันสมาธิหันประสกาปัญญาคันหลกแพ้ว่ามันึกย่งิกปีและพวกเคยหลงักเื่อเพ่ส่อื่นเห็หนหลวพอหลงอ อ, องไว้โดยอินหพอหลงเรื่องปัญญาส า, ายููได้หลวพ่อรับรองลอยถึงลอยบเดียวแม้คือขิ้นคนนึกับบหลงทีเดียวน่พอบ่งอย่างที่เยเห็ยู่นทางไป แต่โบได้เห็นอะไรนี่มันเป็นทางอยู่ที่ว่าจะในคาร์บอนพาสเองเนี่เข้าไปถึงอาการเกิดดับอาการเกิดดับนั่คือว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากโบรู้สภาพอาการเกิดดับอันนี้ชีวิตเป็นหมืนชีวิตเป็นโงค่ะข้อมเป็นคนนั่นน่ะโบมีโบมี ป, ประโยชน์ด้วยยังไงคนเกิดมาเมื่อเดียวนี่บ้านเนี้มารู้มาเห็นมาเข้าใจสภาพอันนี้คือวึตดีกว่าอีตาเกิดมารนะ้อยวันพันปีเนี่ยคนเกิดมาเมื่อเดียว มู่เจ้าเห็นบ่ย่างไปเต็นบ่ย่างบเต็นนอนแดบะอยู่เนื้อยากกินเข้ากับผู้อื่นอุ้มให้กินแสดงว่าบัแมนอะไรกันเนด่ยมู่เจ้านี่แหละเอ้าอไก็ได้เนี่ยเพราะเห็นว่าปะกาบ้านยาองมู่ทํานีมู่คุณนี่แหละนีก็ได้มาฟังอยี่ยพอว่าอยู่เดียวนี้เนี่ยเกิดมีควมเข้าใจกระวางแผนเกิดไาี้ยอันนี้แหละเกิดมื่อนั้นวันนั้นเพราะยอดทบุญวันเกิดเชิว่ามันเกินบุญบัวแมนเกิดจากทองแม่แล้วไปทาบุญอันนั้นก็เรื่องนึงให้เหาเข้าใจว่าที่ทาบุญมันเกิดแบบม เกิดเหุ่แจ้งเกิดดูชิงเกิดสัมผัสแ่เนี่ยมันเป็นบุญทุกวันทุกวันคนวันต่างกันแล้วบันี้หเกาไปเกิดวันนั้นทำบุญกรดูยู่อันนั้กรเบุตรหนึ่งบดีเลอดยู่ก็มันบแมนอันนั้นเ่แม่จะก้นกระชขมงตาเมันเลมานาหายสุขยึถือไปไหมเป็นวาอันบ้านเนี่ยวอนีมันีเสียสวะเป็นวาจางกันก็ทำบุญวันเกิดกระแมนก็อายุกระแมนบันเนี่ยมันเป็นเหมือนกันพวมเดียวกันทั้งหมด จึงว่าคนบวชมาลอยสีแบบนี้ลอยธรราตคราบอย่างบมลูบวชเห็นอันนี้บมลูสภาพอาการกระดับอันนี้การบวชผู้พานชีวิตผู้่านก็เต็โมฆะเป็นห ม, มันที่กันแบบ น, นี้ผู้บวชมืเดียวนี่เออคนนี้จะแย่เย็นก่อทุกห่างเลยอย่างบวชนี้บวชแต่มืเดียวนึ่แบบเนี่ยเห่นแจ้งรูจริงสภาพอันเนี้ยดูคือผู้บวชลอยสีคุณคนไว้คุณค่ณคณาอายุที่ของเขาเนี่ยจึงว่า ให้รู้จักสมสมุติจริงๆสมมุติเท่าั้นเลยเขาก็จะไปทาลายสมสมุติเอาไว้ัแล้เรื่องสมมุติอะไผู้ใดโดมีที่อช่อใคจะทนสมมุติแต่ลกครผู้เขามีที่อชื่อทนให้หยังอกมันบ่จริงว่จังอันใดอะมันสมมุติเอาทุกามก็ได้เนี่ยพ่อแม่เขาตายแล้วบบนี้ไปเห็นคนในงามันกคืออีพ่อกูเดคืออีแม่กูเดี่ยไปจับแบบนพอได้ไงเขาแทบแมนอันนี้แนีถืว่าคือที่ิๆทึ่กับว่าคือซื่อๆดีนะ บนเรื่องของจริงนี่ไนงะพ่อแม่เขาเทเธอเไปจับปุ๊อไอ้พอ่อเทเธอไอ้แม่ทเทเธอเขายู่นดมากรบมโบยานใช่ไนะหมเอาไว้ใจได้ใช่ไหมอันนี้เพราะคือพ่อคือแม่เขาชื่ือนี่นะม่ที่ไปไว้ใจได้บอกมันก็ต้องอย่างคีอแม่ปฏิบัติธรรมะมันต้เป็นคนกล้าเทธอเนี่ยคนกล้าเทเธมันจึงกล้าได้คนรู้ทเธมันต้งรู้ได้เนี่ยนันเอนนี่สามารถสอนได้เมื่อรู้อันนี้แล้วพอจึงว่าโอ้ขาพุทธเจ้าตัดก ง, งอยู่เ น, นี้ พระพเจ้าอาการกระดับกับเม่นอันนี้อ๋อพระพเจ้าเหาะกับเม่นอันนี้เม่นอันเดียวมัดเราจุดเดียดนี่บอกว่าเมื่อเชากระถามว่าพระองค์ได้เข้าสานกับพระพุเจ้าพระพเจ้ากิจกายกับเข้าสามแบบเอาไว้ยังจังกะหาเวาคนไฮคนสอนให้รู้จักวิธีเฮ็ดกันคนซื่อๆดีนะมู่เฮานี่กระเฮียก็จะู้หักจักรถึกันนี่นะฮันเฮ็ดเต็มแล้วนะอันนี้หาะหักโเฮ็ดน้ำเพลินกลับไปหุงกระจะยกมือเอาบุญได้แล้ว ต่คบอกให้สังเทที่กับโบยักจังจีวะยังไดมาเอาบนนี้มาฝังเทกับคนอ๊้าบิเวียในบ้านเท่น้นาฝังเทกับบได้บอกให้ทากรรมฐานเนี่ยยกมือแหงนู้นนะให้จังที่ก็ได้ดอกค่ะจัทึกกได้ดอกหนูนี่เอาย่งการแย่มันชอบยางไดมันต้องเฮ็ดังซ้นหนูมาฮุกโบได้คาบอกเฮ็ดแง้ไปยังเฮ็ดจันทึกกับกขนะารแเอาแล้วกันเนี่ยฮุกขนนี่ก็แล้ที่คอนี่จีวะยังไ ยื่นแหละคุณหมอกลวยาบยักจีงะแต่คือเขาไม่ขอก็ตามเพิกกันไว้แบบนี้มันโอยากจินนี้เนี่ยสืว่ายังไงที่เอาหน้าดูดูมาแค่ปามานก็บอกเอางี่อันนี้ว่าภาษาบ้านยอพอเนี่ยยอพอวางกันคือว่าเข้ามาเนี่ยวากันๆนี่นะมอบหัวเข้ามาที่มาเป็นสิดเพิลนมอบเมื้อมอบปลายเข้ามาที่มาเป็นสิดเพลนให้เพลนบอกเป็นสอนตกหูตีตากันมันได้จะสมบุตรดอกวาสุสีนี่แหลนะนั่น ให้คนบอก้นสอนเพื่อฝังปฏิบัติลองเบื้งคันปฏิบัติโมู้แล้วก็ด่าก็ได้ด้ยนะคันเนี่โกหกไว่นาดโม่มีของกินนี่มาสอนให้สันเหตุทำไมเงี้สิวาจนกรได้ดีไหมเนนบ่ครับกาได้บ่ครับเออางคนมันไม่อยากินเนี่ยน่เอันูจังคันบอกให้เหตุโดยจำนลงเอยว่็บขาหนูบอกว่าเจ็บขาผมบอกว่าเอ้ขาไม่เจ็บแล้วก็บนตรงางแล้วคือว่าอย่างไรคันพึ่งอย่างว่าที่โอ้ยเมื่อแขนเมื่อใบไหลนะครับ กับมือแล้วกับมือได้เห็ดแล้วแม้ยังหายใจได้อยู่อย่างท่านตายที่นะทไปฝ่าไม่เหรผมือเนี่ยฮะมอมันก็จะตายบ่บ่มันก็จะตายได้เห็ุที่มัน็นตายเพื่อนของผมเองอ่ะนี่รอดซื้อเนี่ยนี่อย่าพอกาเลยแต่อคนไปปฏิบัติธรรมะนันะ่กันพระยี่สิบสามลูกโยมห้าคนเป็นผู้ยิงสามสนาค น, กก น, นเป็นผู้ตายสองคนลูกบุกกันทั้งหมดไปเดียวพราะคนเฮ็ุบุกคือกันศทพาบุคือกัน ศรัทธามันต้องเป็นศรัทธาจริงๆจะเป็นศรัทธายะจะเป็นศรัทธาใจเนี่ยจะเป็นศรัทธาหัวเต้านี่คนออกมาจะแท้เนี่ยไม่มต้องกลัวมันเลยนี่อย่างกระตำจางต่อสู้มันลดทีเดีย ว, ยย จ, วนนรรจริงๆี่ อ, พบพบขข อ, อย่างสีแดงกันะว่ามีอพุทธะขาธรรมะจริงๆมือคนจิตพบเขทสกุลจะตู้ไปสงสัยนะว่าโบเติมดอกเขาอน่โบเติมอยู่นี่กระบาง ท, ที่ตายด้วยเป็นไปแท้ดีนะ จำให้มันดีแลยหลวงพ่อผีบ้าเนี่ว่ามาทิกายก็กระตกอันนี้กับเธอในเนาชนิดเขาจิดยางข้ามสะถานไปเนี่ยคิดไะกเหวข้าบ่อด้วยีางไปซื้อนี่้วยกระโดดข้าอกก็ได้ดีนะเขาจด้ามของนี่นะันถ้าคุณรู้จักกระโดดค้ากระได้ดีนะเมืคนรู้จักสระถานนั้นมันโดกแบบยางไปหับโคหันไเตียโลหันนวัดนี่ยน่มาจีดดำมืดไปเลยทีมีสาไปวยทีใกล้ใส่ไปหลวงพ่อว่าสมบูรณ์เป็นของที่เว้าด้แบบนี้ คือว่าทุกคนต้องประสบจริงๆรับรองว่าคนไท็ต้องประสบเพราะมันที่ตายจะเท่านี้เคยเห็นคนบ่ตายบ่สูงเคยเห็นบ่รับคนบ่ตายบ้านที่บ้านหนึ่งเขาเจริญมากๆเนี่ยมีตายบ่ครับเขาบอได้ไปเหตุในเมบองนอกผู้ใดยุคนี่เคยได้ไปเมืองนอกจากคนบ่มาบี้เคยได้ตาบ่เคยไปไปบ้านไปประเทศใดเด้อ เขาตายเป็นเม่อไเนี่ยเว่ากัดจ่าแท้ๆดีนะตายเป็นใแท้ีนะจงว่ายังบุญาสักจาคาสอนพระพุทธเจ้าไสอนได้ทุกคนทีเดียวมาเิดตายต้องประสบอันนี้จริงๆ้าม่ประสบอนี้บุมีเนี่ยวเย่ยสัจจะเทกมจริงแล้วหาปฏิบัติไปที่เห็นอันนี้เี่ยวสัจจะเพิกคมจริงเตี้ยงแตงบได้เนี่ยเพราะว่าคนจริงนี่ตัดตึงใจเลยเจว่า มูเตะหามาปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่สามสิบเลิ่มาที่ซื้อวันที่สามสิบก็ลงมือทำกันแล้วเฮกแข็งแรงลงเพบิ่งก็ได้วันที่นห้ามกรวาเนื้อแข็งแรงเมื่อในวันที่สองก็รู้สึกว่าเนื้อออกก็มีบางคนยืนเตียกก็มีบางคนก็โอดจนทีแล้วนะอ่ะจนที่ตะกลอนไปมื้ออื่นวันที่สามเนื้ออืนเอาจนที่มื้ออื่นเนี่ยวันที่วันเก่าไม่บอกกันวันเก้เอาจนที่มื้ออื่นเนี่ยมื้อที่เก้าเอาจนที่ก่อน ลงไม่ลงมือกระย่าเห็นแก่ขมเน็ดเนืเ่อยเวลาเมื่อฮีอนั้นเป็นบันทึกเอามาเช่นผู้ที่สองสามบานันทึกขมรู้เรื่องรูปนามเนี่ยเป็นค่อยกระจ่างเป็นกระจ่างขึ้ น, น, นให้รู้จริงๆริงรูปนามเนี่ยถ้าหากโบลูรูปนามแล้วมันคือลืมหลักหมืนที่ลืมต้ น, ม, นมันลืมสู้มันอะไรอย่างไรถ้าหากว่าหลงแล้วก็เปี่ยนหลับะเป็นอย่างกระตับเข้ามาหารูปนามนี่มันคิดไปจะจกับให้เราโบลูถึงแอร์นี่เป็นรูปนี่เป็นรูปเป็นปนาม รทำนำั่ตเองนี่ทำอะ่ะผคิดแบมมเห็นเป็นเป็นโตมันคิดแล้วปัดขึ้นไปเลยโดยได้ปัดเป็นดอกใหามารูอันนี้นะไปผู้เดียวมันด้ว่าทุกต้องกาหนดรู้กำหนดสิ่นี้กมหไยต้องละโตคิดนั่นแหละเกิดสมมติไทยอ่ะกำดไยเป็นโตคิดเปนว่าสมุตไทยทให้ทุกเกิดเป็นวากันทุกต้องกาหนดรู้กำหนดไทยต้องละทุกสมมติไทยดลดมากเป็นว่าเันกําลาเป็นวานนี่โตสมมติไทยทให้ทุกเกิดโตกิดนั่นแหละนาะ คิดฮอสผู้ฮั้นคิดต่างผู้นี้คิดอยากได้อันนั้นคิดอยากได้อันนี้เรียนนังสืบมาแล้วผููที่ไปทํางานห้งร้านบริษัทอันนที่ก็สมัครตำรวจที่คไปสมัครทหารที่ไปสมัครคนเน่ยมันนิดอันนั้นแหละคุณเอ็นสมุทรไทยทําให้ทุดเลยด้วยนั่บางคนคิดไปซิว่นอนได้หลับเป็นโกคปรสาทเป็นบ้าอันนรคประสาทบางคนก็เป็นบ้าเป็นว่านึงกันก็เพราะมือเขจากคนคิดอันนี้แหละบัดนี้มารููอันนี้ปั๊บมันดิบเลยสุดิจ้ะเพราะน่ะมักต้องเจริญเน มักก็ไปลว่าเฮ็ดเขาเป็นว่าก็จะเลยก็ปว่าห้็ดานามากๆกัคาคายเสียออกปุ่ยไปเจอต้นไม้เนี่ยเอาน้าไปลดมก็งามใบเจอต้นไม้เลยคนเขาเฮ็ดอันนี้กับมกจัก่ายเสีน่ขันบอกเฮ็ดตัอโอ้ยเหนื่อยเขาจานสวริสิลละนยเป็นอยงนมักเฮ็ดาไม่จะเลยเฮ็ดบ่อยๆเฮ็ดเสาีนะโม่ต้องไปลมไปคุยกันเนี่คันไปคุยกันนั้นไมไปยังเมื่อนั้นเฮ็ดอันใบเปิออกนอกตัวหไปลได้แบบนี้เมีกซิโกบาอาจารย์พูดถามเาก็สุน้ออกนอกตัวไปได้แบบนี้ ไ, ไ่กับแม่หนะูบ้านดีสดเลยหนูหาอะรก็จะมีเลยไม่เดี้วทางานอันได ถ, วถโโโวูว่าหนูน ม, มันามเอนอกตัวหอมมดอันนี้ไม่งช่ว่าใชกระตามๆโบหูนอนขามนการทําะไรบบหูทาไปเป็นยังได้เข้จกนะักนหทุกด็กดูให้หน่ยมันจะรู้เปนนอันนี้แทบว่าหาตัวเองอันนี้เป็นอย่างสั้นเพียงมักต้องเจริญจะเล่นให้นากนีนมีอรถทำให้แก่ก็ที่แก่คืออย่งอย่างภาวานี่เลยกับพระพุทธเจ้าบอกเลยนี่ัดทังหลาย เราพู้เป็นสถาพตั้ถึงแล้วห่งนั้นแล้วจินำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามย่างราจสถาพุนี้ก็จะรู้ก็จะเห็นก็จะเป็นจะมีย่างราชถาพุนี้นึ่คือกัณณนาบุญสกิลมีแล้วก็รู้คือกัณณนาจือว่าธรรมะแท้ตื่งเดียวกันเพรานั้นทีอต่นนี่นะเขาบ่รู้เขาบ่เห็นกขาบ่เป็นสิทธิ์ันแล้วเขาบ่เห้สิ่งเวกนเ้ก็คึดว่าสมควรแล้วเมื่อนี่มีภาคบ้านนี่พอหลายเพราะว่า หลวงพ่อมันเป็นคนเมืองเลยเราภาษานี้หลวงพ่อว่าวกันจิ้นให้หลวงพ่อเว้าเสียงภาษากาเนี่ลงต้นลงปลายเมื่อลงโทกันเลยเพราะหลวงพ่อเป็ลุ่มทีเสียงอยู่ที่ซีดีดีรนีก็มั่นฟังเอาฟังภาษาเมืองเลยโบกคุ้นกันมั่นฟังเอาเพราะหลวงพ่อเป็นคนเมืองเลยก็ต้องว่าภาษาเมืองเลยที่คำะมู้ท่านเป็นคนภาคกลางคนกรุงเทพก็ต้องหัดฟังภาษาเมืองเลยที่ยังคนอินเดียเนี่ก็ต้องหัดฟังภาษามืองเลยที่ใหญ่จีนฮวงจัก เขาที่ได้ปฏิบัตินําพระพุทธเจ้าคนอืียๆก็ต้องหัดฟังนำเพลินที่เพลินว่าเจนอย่างหัวจักเพลิอย่างที่หั้จักนำเพลิ น, นอันนีเขาบูหัวจักแล้วภาษาหลวงพาวาลนี่ก็ปฏิบัติธรรมมาเขาบูรู้แล้วเขาต้องฝังให้มันรู้แก่คนแหน่เนี่มันอย่งที่ปฏิบัติถูกเลยคนอื่นเขาทีมาแปลผิดไปก็มีเ้เหืวงพ่อเคยได้มีนหลายคนแหน่หล่งพ่อไปสอนคนอเมริกาเอออนนั้นก็สิงคโปท์่วงอันมาเลเซียเลือกคนอเมริกาคนฝรั่งมานี่ก็เลยเขาจะแปลให้ มีความรู้จักเนื้อเตอิดก็มีเตอทุกข์ก็มีขจรวาญอยู่ท่าฝังเนี้ยคนรู้จักภาษาเกิดผิดแล้วผมยังรอยยางการผมเนี้ยนอกจาการสุภาษิตไม่เออก็มีความูจักแต่ที่ว่ายังไลจะกระซ่องคนขจาร์กแกกันในตันี้โม้คุณนะถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมมากถ้าจะคนไทยนี่ยยีูจักบ่รู้จักบ่จะระวังเฉนี่หน้รู้จักบ่ฟังหลายเรื่อก็ต้องู้จักหนึ่งบ่ ดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสุขฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมหรืออาจมาขออ้างอีงอาคุณของพระพุทธเจ้าและทำำ่านธรรมท่างสอนขององค์สมเปิดใช้สมาธิพุทเจ้าและคุณของพระนริศาสาวกท่าจมาตุพุทธเจ้ามาเตือนจิตกะจิตใจของพวกเราให้พวกเราทําความรู้จิตตัวเตื่นตัวทําความรู้ใใจิตใจเตื่นใจเอาสนะตัวให้ได้ในขณะนี้ยงทุกๆุคนเท่